นักธรรมเอกมัอธิบายธรรมะสูงมัดทางธรรมะนั้นสูงมัดจากธรเอกนั่นละพวกคาเลี้ยนแ ป, ปรควาเลียงเต่เลียงแปรก็คือดอก่งแปรภาษาก็คือธรรมะอธิบายสูงกับนักธรรมเอกนั่นแะเรื่องอนัตตาต่อนัตตาได้เถิดทังสี่ข้นเป็นขนบ่มีทุกขวัต ันที่จะหน้าอนัตตาเ็าเถิดเนี่ยช่ำทับสอนพระพุทธเจ้าสูงแค่อนัตตานั้นนัตตาศีลอัตตาสมาธิอนัตานน ต, า, า, ตาปัญญาจิต ท, ทิมศีลสมาธิปัญญาก็บอะไรจิตเียมกายว่ากายใ จ, ใจกับอะไรเมน่อได้่นอบลงมาหนีเมื่อความดีความชั่วในตถาอย่างมาออกค้อนสาลาพระเจ้าเมื่อไหร่น่าประไซออกออกค่อนส า, าออกตามปีสอเบือนนั่นคือ ลาพระพุทธเจา้จาสักเาไปใช่ของถึงพระพุทธเจ้าอยู่เถิงเมื่อวันประมาณถึงพระธรรมพระสงฆ์อยู่เถิงเมื่อไรเมื่อไ้ล่าพระไหน้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ล่าเสียนสมาธิปัญญาเมื่ได้ล่าไซล่าตั้งปีตั้งเดือนเนี่ยมันตบว่ลาล่ามันมันก็นลา่าห้อ ย, โ ย, โ, ยโย่มื่เขามันล่วงไปอที่เวิตเท่าล่วงมากล่วงมากล่วงปีเดือนมามาเบิ้งโลกเบื้องโลกกับเบรงทุก สันเดียวกันดูละครก็ดูคนดูคนก็ดูละครอันหนึ่งดูโรคก็ดูทุกดูทุกก็ดูโรคอันเดียวกันดูอนัจจังก็ดูโรคดูทุกก็ดูโรคดูอนัตตาก็ดูโรคดูดีน่าคล้ายมกันมันดูโรคลกดูกันดูสังขารดูกันพวบเป้าน่ะมุ่งห้ามาลงโลกห้ากคนมาท้องเที่ยวเนยน้าเกิดแก่เจ็บใายก็ใส่หนีจะ้องมอนจบ โลกควรหลงจากของใส่พ่ะพันจบทะแม่เป็นขีค า, า, รร า, ารโกกรภขี้ขีค า, าโครธีคาหลงด้วยนี่แหละใส่พระพันจบแกพวกคนใส่จบแล้วเพราะเขาสู้พระในพานไปละมูอเท้าใส่พ่ะพันจบเป็นนี่จะของอลูกเป็นนี่ควมหลงจากของเจา้าได้มาทองเที่ยวนะควบหลงจากของใส่นี่จะของเมื่อแล้วกับพ่อมาละเขาสู้พระในพานละมันเป็นนําผู้ได้เป็นน้ำมูอเท้าเนี่ยเป็นน้ำมูอเท้านนหาลงก็คือ มุ่งเข้าลงโลกมุ่งเข้าการได้วาสท่องเที่ยวนะในโลกผู้คนมนล่องโลกเพราะเขาเชื่อว่าในภาคนี้มันคือด่างแห่งเด็เดี๋ยวเอาต้องซื้อมาแจกกันซะมาพวกอได้วาสิมากอีกว่าหันมาตัวเหมือนไหมแมนบอกโมกันพวกนี้ตัวโมแมนเอาแจกให้พระน้ำ มาจากพระมัามา่งนั <c oughs> <c oughs> น่ือพุทําสองไอ้แจกนะเออแจกนะเสือพุทําสอง้แจกนะออไปแจกอ๋ออีกคนมาที่มามาเสือเสือไปแจกไปได้มามมาซอย ก, กันเอา คุณเอาเหลี่ยมเอาเหล่มเนอะคุณยกแคเดียวเอาเหล่มเดียวเม็ดแค่เดียวมาหลายคนเอาเหลี่ยมเดียวพระนี่พระเอาให้พระให้ครบเออพระเอาให้ครบเนาห้องนเห็นเดียวเนี่ยอะไมาไข่ลอืม น้าเลยน่หังนเลยเนี่ัวดแข่กับ้น่ะควดนะควดเาต๊บุุ๊อยู่วายวดตุ๊บตุุ๊สใส่หนองเหมือบุควบบวสมาใควบบวสภาใจ มันเป็นทุกข์พอเป็นของทนในเนี่นิพพตที่ทุกข์ทุกเนื่องนิดคือทุกข์เกิดเจ้าเฮื่อนนิพพตที่ทุกข์ทุกเนื่องนิดทุกข์เป็นเจ้าเรือนประจักษ์เป็นว่ากายจก็ทุกทุกทางกายเจตสิทุกทุกทางใจพระพุทธศาสนาให้ละเจตสิทุกข์ขวดทุกข์ทางกายกำหนดดุจือ จะมาสุขังอริยสัจจังธรรมประจักษ์มประจักษ์ปวัตตนสูตรสูตรของอริยสัจอริยสัจที่พระพทเจ้าองค์ไหนมาเทศกับมาเทศอริยสัจที่ละมันจริงอยู่พระพุทธเจ้ากมาเกิดมันก็จริงอยู่งัสั่น์พระเจ้ามาเกิดมันก็จริ ง, งรอยู่งังสัตน บัคขาโรคอริยสติีเนี่ยเถดจะว่ามีการแว้งกรคลืนวแก้เก็บตายกับเทจะว่าม่มีการแว้งการคลื่นยะตัสัจจะท่านดังวท่านท่านทั้งน่ะมันจทอท่าแต่ว่าเปรียบเหมือนปองว่นตีประกาศด้วยวะท่านโ่้ีปิดบังทุกทุกแก้ทุกแก็บทุกตาย ทุกเหนียวทุกอยากทุงเหนียวเข่าและหานาบปวดอุ่จระปัฒวะทุกเกิดจากโรคแบบเบียดเบียนทุกเกิดจากดูแฟงวนทุกเกิดจากเปลี่ยนเอียวยวดว่าเสมอทุกเกิดจากโรคทั้งปวงเบียดเบียนสักคนละกายโรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในกายโรคในบกหัวใจโรคในทับโรคในปอด หลวนี่ฟันล้ำมานหนาสินฟันเพราะว่าหลวงนดังเพราะว่าฤทธิ์วงจวะโกเพราะว่าหลวทว่า น, นักทวานเบาองฤทธิ์หลวงทวานเพราะว่าหลงนตับเพราะว่าหลวงนใส่โลงนปลอดขอบปดแล้วพระหลวงท่าวงต่าใระการเกิด น, น, นี่กายในนี่ทุกมากมี่ถดมากส่าสั่ท่านร้ายจงพี่จะนะเอเออสั่งเปิดอาธินามาสัญญา สัญญาไปว่าก้มจำไว้จำไว้เด้อสัญญาจะโพลโคโลกลน้ำตาโซตาโคโลกลในหูชิวหาโลกโคโลกน้ลิ้นกายะโลกโคโลกในตายมุขขาโลกโคโลกน้ำปากท่านตาโลกโคโลกในฟันชิวหาโลกโคโลกนลิ้นร่วมเรียกกันว่าสุขสกุนละกายตาหูจมูกลิ้น ได้สามารถเป็นโลกได้บกหัวใจก็สามารถเป็นโลกได้จนบกหัวใจเป็นที่อาศัยของน้ำถ้ำแก็สามารถมีกิลเลสมาสิงสถิตอยู่ได้มานีสิองอยู่ในน้ํำถ้ำเพราะไม่โรคไม่โกรธไม่หลงมาสิองอยู่ในในมโ น, โนุษย์ถาด มนุษย์ทมกับว่าข้าาชาติีพิทุกขาละถือวัดเอาโลดในแต่โลรกธาตุนับจะมนุษย์สัตว์ยักษชานเปิดอสุรากายสังขานโลกโลกคือสังขานชานโลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแ่นดิน มนุษโลกแลยแกโลกที่เราอาศัยอยู่นี่เทวโลกได้แกช้ากล้ามากพชาระหกสันพร่มมาโลกแลยแกลกูกป่อพมชิพหกันครับลูกป่อพุมสี่สันพววกนี้มีทุกบัดเพราะมีเจล็พิดกันจะวาหน่อยมากทาสูงท้งบุทุกบมีพระพุทธเจ้านั่เลยตับว่าสรุปลงมาทุกสมักันสมณนนาของไส้ ลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขานทั้งปวงเรียกว่าไตลักษณะป้ามันลักษณะก็เลยแยกแจกเป็นสามอย่างอันนี้จะตาความเป็นของในที่อย่งทุกัณฐ์ความเป็นทุกขอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าได้จัดทุกข์เสมอการบดเสมอหน้าของใส้รับเฉพาะมันโดลงมาสิ่งที่มีไม่ยากข้องสิ่งที่พระพุทธเจ้าจัดเป็นกองทุกข์เสมอการบดจังว่าลักษณะที่มื้อที่นี่เสมอกันแจกสังขานทั้งปวงนะเรียกว่าไตลักษณะ ไปแปลว่าสามเนี่ยพาไตอันหนึง่งลักษณะที่มันทุกข์มันไม่ไม่สามอย่างมันบทียงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันคือยู่เป่าเดียวกันมันยูค่คนละเป่าอยู่เป่าลูกเป้าหน้ามันมันทุกข์ถือยวันหนึงอา น, นิจจังถือยู่วันหนึ่งอนัตตาถือยู่วันนึงอยูว่วเดียวกันอยูว่วแนาเป่าลูกเป่าหน้ามันถ้าทางไหนจงพิจารณาให้เบือเบ้อนายครับเบื้อนายความรู้ของตนแค่เท่าไหร่ ท่องเที่ยวในวัตาสงสารลงอีกพสันทําข้เมาไหสรางพราสันวิ ป, ปาสสนายโยนอนยสมุขฆาโกระยุอะไรถอนข้อมอะไรในวัตาสงสารพระสันวัตูปเทโทตันหะคายโะไปสอนเสียถึงวัตะซะและตัหาทั้งปวงพราสันบ่มทะเยอทะยานในวัตาสงสารจะให้มิแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายทะยอทยานในวัตาสงสารจะเคื่อทเยอทะยานในกองทุกนั่นเองพ่อพุทธเจ่า ไปทางรักได้ไหมธยรมจกักรขปวันสูตรกมีทา้งอันนี้จังทุกครั้งอนาตามีทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสำันเพราะเป็นแสดงศีลสมาธิปัญญาไดตัวสมั ย, ยพระมาแถะแสดงธรรมจกักรขปวันสูตรปราชิกสี่กับพทันมีนักฆ่าทิเศุสามกับมุนบุันมีอันน้วัดสนี่ปัจิตปัิตีกุกปัจิเสสเนียสีเส ส, ส, สีวัเจตุผาขอ ท, กกทนมี พระท่านยบรรยยงครบดกแปลือนเชื่อพระท้ามขันรวมลงในพระไตในรวมลงในทาพระจักรประวัต <buat S 1> <Assim, S 2> ินาสูตรทำมัดมัจจังประวัติี่ตังและปฏิวัติยงสมเด็จในว่าพระมาในว่าเทเวในว่ามารนว่าพะมูลนว่าครบวัดเลยครบพระไตพิรธสูตรเดียวขนาดครบพระไตพิรธอยู่มากอยู่มากนี่ก็พนมาทำพิษร้ายก็เลยตั้งกดขึ้นเสนาร่วมไปเกง่ยวครบวัดเลยครบพระไตพิรถ้าพรจักรประวัตินาสูตรสูตรเดียวขนาดครบด ตนสวนี่ยครบพระใไปรกบัดทุกส่วนมันขึ้นโยกผู้ขยายออกหอกขยายออกจากเกกนบาตยมันก็ปครบพระใจไปรบบัดขันยลดลงมากขันยลลงมาหาเกกาเนบาตลดมาห า, าจิตข้าให่มโนผู้ฟังขาาาโโาโโา้าธรรมามโนเสดสามโนมายาทับทั้งหลายเป็นนิจใจเป็นไงขันยขยายขันขยายออกจากไกเรขันยดลดมาาันลดลงมาหาจิตโยนมหาจิตก็ไม่ยั้งมีทวบ่าบ่กบุญพระละโยนบาปแดงเปิดอง บาปทั้งโลกีบาปทั้งโลกุตระบาปทั้งโลกุตระนี่นับจะพระสวัสดิ์วันจะพระข้ามีอาณาข้ามนี่วัดอาหารวันนี้ดัดว่าเป็นบาปบาปเปทั้งโลกีตั้มก็นั่งลงมากบาปทั้งโลกีอันนี้บุญทั้งโลกีก็ตั้มโนก็นั่งลงมากกเป็นโลกีบุดบุญโลกีบุญโลกีคือบุญศาสนาอื่นบุญโลกุตระคือบุญไม่ศาสนาพุทธ โลกุตละในศาสนาพุทธไม่เอาท่าพระสวดารันเป็นต้นไปเป็นพม่จเบืองต้นยูวชพัโนโวยาสาเม่กเป็นพม่จันเบืองต้นยูวิชพัโนต่ำขนาดลงมาเป็นโรคจีปิดันฉันไม่โรคจีมาปนเปร์ครับโลกุตละเอาคำสอนเพาเจ้าองค์อื่นๆเอาคำสอนลัทีิอื่นๆมาปนกันครับคำสอนในพุทธศาสนาเปของนี่พ่อแจันเรื่องต้นนะพุทธศาสนาการับรองเจาพระสวดารันท่านั โจทเจแปโน่ถนัดวมชุยะยะสามีจิขจบพ่อมาจันถึงสามีจีะจบทพมาจันคาสอนมันมหลายหลายภ า, ายในกระางหัวโยงลงมหาใจมโนฟั ง, ฟงรรธรรมาธรามามโนเส่ามโนเมญทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่หลังสำเร็จแล้วเขาดูใจเพราะใจเป็นหัวหน้าได้ใจเป็นพผ้าถ้มผู้ผ้าถ้ำ อาการที่โกมีโยทุการทุกเวราดวงไก่เมื่อทำบาปมี่บาปโยตุเวลาเมื่อทาบุญมีบุญโยตุเวราันใจมันมีโยทุกเวรามีอะมีโุการทุกเวราใด้ไก่นอนรับดอกยังไม่ใจ่อยู่ไก่ภาพไปแต่ว่าอาการที่โกอาการที่โกใจมันมีโยตุการเนี่ยมันก็สามารถทาบาปทบุญในโยตุการนอนนอนรับไปในฝันในบาปฝันในทำบาปมันเป็นบาปบอบกเบีอันนันหลับแล้วฝันในทาบุญมันก็ว่าเป็นบุญ แล้วหางเกลียวกันก็บาก็บุญด้วยบางที่บางที่กับพวกเกลียวเฮ็ด hey, ด hey, hey, ีกับมันเห่าเฮ็ดชั่วกับมันเห่าพูกเฮ็ดเห่ามันไฝมันใจใจเป็นผู้บรรญัติว่าเห่าบรญยัติว่าตาว่าหูว่าจมูกว่าลิ้นว่ากายบรรญัติว่าใจอีกไฝผู้บรญยัติกะใจนะคิดตาสังขารผู้บรรยัติอ้าวน่าน ทําไมสัตว์จึงมีตาเพราะสัตวสัตว์ชอบเรี้ยงแลีดูลูกทําไมสัตว์จึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงทําไมสัตว์จึงมีจมูกเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบดมกิ่นทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบลิ้มรส ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมือกายเพราะต้องการโผดสะพะกระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมือใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดยังไม่เบื่อพระพุทธเจ่าสอนในพระประมาภิษณ์ชอบนึกคิดชอบทำมาลมทำมาลมเพิม่มไหมเนาะ ตาที่ได้เคยไดกระทบแล้วหูที่ได้เคยกระทบแล้วเสียงที่กินตาหูจมูกกลิ่นกายที่ได้เคยกระทบกระเทือนนําอายตนาไพนออกมาแล้วจัดเป็นอดีตจัดเป็นอนาคตอีกถ้ามาล่มก็ น, นึกตามอดีตอนาคตที่เคยได้นผ่านมาแล้วนัดทั้งหลายกับํานัดนี่หันกับว่อนเวียนนีห่หันอ่ะ หมความตึกเครื่องสัตจรของโลกความนอความคิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันต่ากันเป็นมันกระโปงปุปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ปก๋ปมันเงารขึ้นกาเวนเนี่ยลูกปืนทหารก็ยังเศร้ายิ่งเป็นความนความคิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเออต่ามันตึงตั้ตึงต่ตึงตัขึ้นเว่นพระอริยาเจ้าทั้งหลายเปนจังเบื่อเป่นบทยากไต่ซ่าคือมูฮั่นมูฮั่นสัางบาลมีบ้านแก่างมันยากแล มอคองเห็นคอศรากาขอศรากาเลขึหนึ่งเลขึสองเลขึสามเลขึสี่เลขึ้นห้านะอ่อคอศราคาขอศราคาเนี่ยพิ้นบารมีแก่กามาแล้วพ้นกั่งสองสามครว้งท่นพ้นทุกไปก็มีเพราะเหตุใดเพราะบารมีแก่กามาทำอันเดียวกันนะถ้ำอันเดียวกันมีพ้นคาต่างกันมีพุ้นคากรบพู่ฟั่งต่างกันพุกสร้างบารมีแก่กามาแล้วจ e ah ah ับปุ๊บเข้าใจ่รถ คำคำสอนตระบาชญทรงต่อพญ่าพานได้วัดมาจากคำพี่และกระซังอ่านว่ามาจากคำพี่มโนภูพ่างอะมาครับจากคำพี่ใหญ่ที่คณิกายมหาวัคอา น, นอันนี้มหาวัคย์แปลว่ามีวักมากยุละวัคแปลว่าวักน้อยมัชคมาวัคยกับวัคย์าวักนากลางว่าวขนากลางมหาวัค ก, กับว่าร้ายวัคย์หลายตอนที่คาวักกัเว่าย้าวว่ากไกแท่าเปมันก็ออกม่จับใจเหมือนออกจากมโนพุพ่างเหบิอน ออกจากคิตใจครับถ right, so so so ้าทำหนอยทำร้ายก็ด <ppe> ีก cool ็ออกจากคิดใจถ้าบุญหนอยก็ออกจากคิตใจถ้าบุญหลายก็ออกจากคิดใจถ้าบาปร้ายก็ออกจากคิตจใจถ้าบาปห้อยก็ออกจากคิดจากใจท่านใจเฮ็ดแน่เลยจะปฏิเสธอะ้รไปก็นไ่ได้ผลมันก็ต้องได้รับข่มขวัตามที่เหตุผลตามเหตุที่ทํำมันเหตุสามองแหน่ผลมาต้องขอสงสารได้รับคือเหตุนั่งผลไม่อยากได้รับก็ซา กัได้รับผลนังดูสิเหตุว่าผลไม่อยากได้รับจะสร้างกันได้รับผลว่าอยู่ล่ะเหตุฟั่งไม่อยากได้รับก็สร้างกันได้รับผลฟัง่งดูสะเหตุเข้าใจผลกัเข้าใจเหตุว่าเข้าใจผลกับว่าเข้าใจเหตุก็ผลมุโยหงกับตัวเก่าเหตุรับผลก็บับเหตุว่างผลกับว่างเนี่ยนี่เหตุรับมาส่ผลกับ่างสิวางอย่างนี้เหตุท่านเจ้าพจน์ทเสษบ่ได้ธรรมัญญาตเป็นผู้รู้จักเหตุท่ารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ อันตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าทุกข์กผลอย่างเหตุอันนี้ทุกข์นผลอย่างเหตุอันนี้อันนี้เป็นถ้ำของจูปิร์ปานโนะถ้ำของพระสวสดาบาลการพระถึงมันอยากได้พระลหันกัต้องถึงพระสวสดาบาลสัก้อนบ่าถึงพระสวสดาบันว่าทํานได้พระละหันดู้นด้วยกับบัตรหายกับบัตรพราเป็นพวกมาจฉานยงสนเลยเป็นหากเงาเขามาพุทธศาสนาเดชินหาเป็นหากเงาเข้ามาพุทธศาสนา สินหาเปนโลกกุตราชินสินหาที่บดางปล่อยบ่เชื่อใจอยากรวงเราเหมือนส้นหาถือว่าสินหาเนี่ยเป็นของผ้าให้ไปมรรคหกคันผู้ไดรวงไม่ชีบหายทาเดี๋ยวว่า ม, มันอยาพิษเครื่อนน้าตาล ย, ย, ยาพิษตรงตรงอาบายยามุกตยาพิษตรงโตรงพวกไม่เส้นหาบริบูรณ์ถึงมาพุทธระทับประสงค์ มาเดีสงสัยนะมาพุทธประทมประสงค์เมื่อวาที่ทุติส ต, ติว่ากันทุติย่ำปิตติย่ำปีนนั่นว่าพ่อเป็นพี่ไอจะแทะถือยมมีกระเวรขื้นแล้วใหญ่ร่ก ด, ก ด, กดีสิถึงมาพุทธประทัมพระสงค์เป็นที่เพิงทุกงาโวมีประมาลตากต่อเถ้ากระสูพกในพานคนจากทุกนาตาทงสารโดยดวนในปัจจุบันนิปัจจุบันนักธรรมทุกงาโวมีประมาณเถิผูส้สงบมีแก่ตา ม, มาแล้วต้อง น, อน้อกนมกนผู้สังบารมี นันที่สองก็บอกว่าขอให้ผู้ขายในคนทุกนวตตาสงสารเนี่ยชาตินิเถื่นัศมพุทธทัมโมทังโคถ้ามันได้ก็เพื่อคนทุกนปั จ, จบราชาติรัิบัติพรมจรรย์เพื่อรับป็นไปเชื่ อ, อส่นันน่นกันพู้สามอะรนีกน่าก่อนน้ากัเออขอให้ผู้ขาพอพระรพระศรี เ, เมียตได้เพราะว่าผ <c oughs> ู้อ่อนก็นั้นไปอีกันกานผู้อ่อนก็นั่นไปอีกเออพระเนียพระเนี่ย อ, อ, อนาคตการนัน้นเถื่อนาสั่น้าวอานาคตการมักนก็ยังอยู่ไกลเด้ มันก็ตองแตงมือเยาเย้าอมยังกิถึงนี่มันหาไม้ขัวมาพูนันหัวก็หัวกระาังบาลมี่เลยพวกยินดีในอนาคตกาลพวกซักรองในปัจจุบันชิตปัจจุบันธรรมน่ยพวกบ่ไมีแก่้ามาแล้วเนี่ยปัจจุบันนะิตปัจจุบันนะอันไหที่รุดพนกกก็เสียคาเจ้าจรู้ตามเปนจริงปัจจุบัตามเปนจริงนเ่ลา่ได้าวนาเนี่ยโยธงเอาบ่มีประมาณเถอนพวกนี้พวกนี้จอมาแล้วนี่ทมนักมวยกับเขาแก้บ่อกราเนี่ยคามกุมกราเนี่ ลองสั่นว่าขาแม่นรถคาศึกกับมันยิงปืนเ่อไ้มิตรเข่าใกล้กันประจันบานกันหรืม่ตรกอดข้ออันกันอมรอมาลองสั้มันอยู่ใกล้กันพทดว่านะพวกบาลมี่พกกระสังกับอนาคตการนั้นเถิดนั่เว้พวกพวกของบาลมี่พวกกระสางนั่ไงเพราะมันมายู่ระดับเดียวกันนี่เท่งไงดัมู้นีนาวัตตทิโตโก สัศโลกเป็นไปตามควา ง, งใครข้อมันแผ่นดินยังไม่สูงไม่ต่ำไม่รุ่มไม่ดอนตอนนียพักางานภูเขาลาวกาผูสามเวอรีมากเมีภูต่ำผูยอมผูสูงว่ากันเดนโมตัวเดียวก็น้อมตั้งกันเนี่ยผูนนนน้นึ่ผนน้อมแท้เด็กแท้าแท้วัดแทเบอร์ว่าเนาะผู้นึผนน้อมนโมโล ก, กีไปท่ที่พระเดียโมโล ก, กีผูั้งทั้มั่งทั้งข้างทีเจ็บแก่เนี่ยต้องจับโยมสินนำลไล่ไลออกเลยอยู่ น้กว่าปเดนเดียวไภาวน่มือห่อสีําสีย้อมสีหัวกระสางบาลมีตามห่อเนี่ยผูเ้เช่ยวแถมมันแ ก, ก่กาเพชรมาหา ย, หา ย, ยมันแ ก, ก่าอยู่านี่กับมือห่อผู้ี่ยวถึงแก่กาคนสนอมมันแก่มาก่ามัแก่มาก่าเนี่ยนค่อยน้อค่อยกับปดต้องเคทน้ำเยอะส่ ง, ง, งื่อยส่งื่อ ผลตกแผ่นดินชายแผ่นดินสมือปักแป๊กปักแปกมันกระสุมแผ่นดินซุมถ้าเหมือนนั้สมอมันก็สูงขื่นสูงขืนบุญก็ไปบวกบุญบาปก็บไปบวกบาปทั้งเข้าหาไปบวกก็ใช่บวกก็หัวใจเไปบวกก็บวกอื่นนะแต่ถ้านักกะหาบุญไปจนตัวกรน neau แยกบุญไปถ้นักกะหาบาปไปจนตัวกรน n e า u แยกบาปมาเกิดกะหาบาปมากเกิดทันตัวกนะ n e า u แยดบาปกระ n e อ u แยกบุญนัากระหาบุญมาเกิดเต้นักสร้างบุญต่อไปอีกจนศาสตรเขาเดินเขาสูพระนยิ่งพ ยังวามาใส่นีใส่กรรมจะคล้อง<ม>บนผู้ไร้ผ้าหาัเปลี่ยนจะคล้องเปลี่ยน<ม>ผู้พ้นพ้นไปแล้วพ้นใส่นีพ้นมดแล้วพ้นกรไปหมากก็ไม่ใท้นี้นั่นใช่ฟังมหาสมุทรลอยโกรธมหาสมุทรพ่เนเพข่าสู้พันย่าน้าไปยังเต้ามูห้าเหลนหลงแค่ไหนไปเป็นลํารับคือกันเต้ามูห้าก็ได้พวกสารพวกคือศาสนาพุทธไม่น่อยก็ฟางแต่แหงเป็นเครื่องอบอุ่นเป็นเครื่องอบอุญของโลกไม่หน่อย บอกว่าศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องของขาเจ้าเรื่องนึงอยาข้เจ้าอะนะก็บเอามาบอกนะดีดีว่าข้าเจ้าก็บ่าดีเยเนี่ยาวมาพดีก็หลายมันของมันแต่ถามแม่ครูแม่เพมันก็บว่ามันดีของมันอยู่แต่ถามแม่วันเขียวมันก็ว่ามันดีพรใส่ของมันอยู่แต่ถามปารสมันก็บว่ามันดีของมันอยู่แต่ถามยันชามปูนะมันทํองไ้องมันรับไสและรับมันน้องศิวะเนี่ยรับไดเอ้าดอกบัวที่เรา เราอยู่ไต่อยู่ไต่นามเถือโบไมีบาปไม่บุญเราเสมอหนามเถอไมีบาปไม่บุญแล้วอเนี่ยกำลังพยายามห้ามเฮ็ดเรานึงมันเป็นตูมเรามันเราัรานงป็นบานเรานานแล้วก็กขึ้นไปแล้วอันนี้พวกพวกอดไพวกว่านนั่นเนบ่ยโมเนเนาะเออเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยเนี่ยพ ว, ยวกที่มาที่ดัง บอกที่มาที่รังเข้าม้าทาพพีมากี่มาเพื่อจีนไอเกหนังสือหายมากบอกว่าที่รังมาทางนี้เอออยับแขวแขวาไข่สามหมื่นชื่อหมื่นทดทุกขเขาเบดข้า จะสัมปรน์กัมมาอาุคขามาสุคขาเออไปจุ๊บๆแนะนวะมปบวก่อนวะงานโน้มามหรอเออคุณดงนโมนาเพิ่เพิ่าโย่รได้โย่เอะเออไปเบิทุ๊เพิ่ผายกเดีนยกทับล่ะ ไปเอา้านักเสื้อไปแขกท่านเพื่อนไปรู้ไหมเอาเสื้ อ, อไปอิฐเถิพดพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นกี่เพลิงเสียหอดไหวหอดตายังเกิดนี้จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์กอดแขนกอดขาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่อันละ่ะไ่เปียงหลอกตายข้าพระโทษไปเกิด น, น้าพุมาโลกเทวโลก ตายฆ่าภาวนาพระโซไปเกิดเทวโลกดีก็าตายฆ่าถือผีถือสางไปไปจุกไปจุกไปจุกวะพี่น้องก็ไปก่อนโอ้พี่น้องกบไปโอ้เขาจะเสีฟ้าเขาห่าอมวะ แล้วก็แตกเรามานี่เออแล้วแล้วก็เทียนอ่ะนี่ทอดวังสันยังไงแล้วบอกหรือว่างเพนเออนกพระยักษงมดบนอื่นมาน้าพูทธรูปสีมาบอมาหนักเอาสีอ่ะเออมาพี่มาพี่พี่พี่พี่พี่พพพ พี่พี่พี่นี่มันพี่มากบอสบอช่วงเอาประจำาันสิไปนั่งไสเด้บอสวงบอบอกอฮ้ยมากมากฮะไปก่อนอเออแล้วเาผู้ช่วทั้งแลั้งกองูตวยอย่ามันสายสา โอ้ือดํนตึงเลยบอแล้วก็าพิสนแล้วรบอที่กับบ้านบ้านนอเออเออคอยใจคอยใจคอยใจโอ้จับเข่าจับเข่าใครก็ยังเออจังไรเนี้ยว่าคนบอดคนให้ตาบอดก่อนบอเป ไปง้ออับาตทำไม่เหรอมันไม่ซื้อเลยเนอ่อะเออะเนอะ้อะ้นี่ยเกำมังแพร่ขงมันกลมาอยู่ทันีเอาเอานั่นซื้อให้ให้ทุกคนทุกคนพุกงานให้เราบ่ เร่หายมาละอันพุทธธรรมสด้์เนี่ยหายวะพุทธมามะกะเข้าไปพระพุทธศาสนาล่กควนไปถือผีถือสารลูกควนไปถือเน่ยอื่นถือคนพระพุทธธรรมสงฆ์ไว้ใจเลยมันจังสบายถือเน่ยอื่อนมันมันนัก มันนักถือน่เอือน่ะถือพระพุทธธรรมสงฆ์ใจอ่ะพุทธธรรมสงฆ์เอาไว้ใจเขาไม่ต้องแขนข้อยากดอกเมันง่วมันคว้ายกับแขนข้อมัลงโปกเปล่ลงปางมัทาไปอาบน้ำมันลืมซะอ่าผมง่วงแล้วไม่หงายหน้าแล้อ ท่ำส่งท่ำใจทรงใจใจท่งท่ำหรือท่มทรงใจใจต้องย่อมตัวไปทรงท่ำมหาท่ำแลนมหาใจใจย่อมเพราะใจย่อมขอเงาะท่ำต้องแลนเข้าไปกันโฮมท่ำเพราะท่ำมีอยู่ก่อนใจใจบ่กไม่ท่ำก็ไม่อยู่นักพระเจ้าเข้าลบท่ำ โก็นยะโกน้อมทำมาใใจก็ได้น้อมใจปหาถ้ำก็ได้ถ้ำคือพระพุทธพระถ้ำพระสงฆ์ม่มันถ้ำอันอื่นท้าม้าอันว่าถ้ำทางหลายถ้ำที่เป็นไฟบาปก็มีไฟบุญก็มีถ้ำส่งถ้ำไใจส่งไก่ไหนส่งถ้ำถ้ำส่งใจ โอ้ยเจ็บเข่าสามหมื่ลอะแข่าบันเท่าโทษธรามะโท่าละกธรรมนี่ยงปมยาสารพัดปุ่มบันเท่าอยู่ปมยาลูงอาลุ่นกับมบาเศ้าสารพัด เขาจออกมาหายทำใจโลกโก้ลูกน้ำฟันรันบอกไม่ทุกมันกะว่จาจออกจากความทุกข์ทุกคนเป็นอาจารย์ในเค็ดลับแม่วาจาสงสารขันบไม่ทุกข์กะบ่าหนทางออกจากทุกข์ ถ้งออกจากทุกข์มีพระพธทสัธรรมประสงท์านรมเียภาวานาะที่ยงเหตุกันอยู่นี่ล่ะ้ออกให้ออกอะไรก็ออกประเทศดะน้อยอะไรทุกขเกิดคุกแก่ทุกเก็บุกตายแล้วว่าตาราสงสารอัหอี้ <c oughs> อ ย, างงายม่อาพุมาไมอาไม่เมาหนนนี้ ยีน่งงย่าประคืนย่าประคืนอันนั่นย่าประคืนอันยีน่างยีน่างโตย่าจะประคืนย่าจะประคืนกองทรายย่าจะประคืนกองทรายมันพังลงยีน่างเลยเล็กหน่อยยตาประคืนกองทรายเล็กหน่อยย่าประคืนกองทรายมันพังลง แล้วผู้ใดที่ให้อกอยังกระถามมาน่่อะควมคิบได้เดียนี้อันตู่ไดเดี๋ยวนี้นักิวจังไรสำหรับสูงก็สูงปดเราตัําก็ต้มปพดมันช่ใจวันหนึ่งนักศยวางไวมาไห้กอนเออ เข้าน uh, ี่ยโจังหวดได้เตียข้าโยอุดรหมดเออเกิดโยนอุดรฮะมันโมได้แล้วมันรวงนี้เลยหนึ่งเข้านับยังที่หนึ่งใจสองไมยังกายกับใจสามไน่ยังกายวายใจกายสี่ไม่ยังธาตุสี่ห้าไยังปัญหขันห้าหกไม่ยัง ตาหูจมูกเรียนใครกลเก็ดไหมยังอภิหายจะทาเจ็ดอย่างแปดไหมยังโลกธรรมแปดหรืออัตถังเก็่กามคแปดเก้าไหมยังมรสีพ้นสีนิพานหนึ่งสิบไหมยังกุศลก็มาบทสิบและอกุศลก็มาบทสิบเข้านับไปดสัเ้เรานั้นหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปดเก้าินั่นคือันับแปวนับคือมุอตโตหาความสุข อาควมทุกเลยโม่เขาแต่ทั้งอบายยมุขของบัวถอยแล้วท้าพวบสุกอบายยมุขของบัวถอยเนี่ยผมวันเขียวมันกล่ามันม้วนคือกันแล้วยังพูดยังเผยมันกว่ามันม้วนเขือกันแล้วสิว่าอย่งไรเถียนกุชี้มันมันหมุนขี่ง้อขี่ควายมันกว่ามันม้วนเขือกันแมงพูเผยมันกล่ามันม้วนมันหลายม้วนเนี่ย เอกจาเอามวลไหนฮะเนาธรรมดาเขาจะเอาธรรมดาไหนสันเอาธรรมดาไม่ยังวันเขียวธรรมดาไมยังม oh, ีธรรมดาไมยังผูไม่ยงเถิงธรรมดานกนุงธรรมดานกทีเอานกงอานเอานกนุ่งหรือทเอานกหงอธรรมดาไกอืยธรรมดาเปชรธรรมดาผู้กินเหล่าธรรมดาผู้เล่นเลขเดี่ยวธรรมดานี่เอานั่นไม่มีายธรรมดานี่ เราเลี้ยงธรรมดานี่ไปหมดมือตายผนก็ว่างั้นถือเรียกมันมีความทุกตัวว่าเจ้าของจ้กเหมือนเจ้าถือมึงจากลานมึงด้วยหันเพื่อได้ก็มาเป็นพี่เป็นน้องกาวมน่ดมาถามไปทางไหนเฮ้ยผู้กานี่ยเข้าเนี่ยเอาเรามาจะหันเท่ น, นึงให้ตัวไปไสใส่ให้เข้าจะว่าเที่ยวว่าไ <c oughs> ม่นบอกเขาสองสามกับสอบกับ มัดในมือหนาเลยนี้ขันเจ้าที่ซื้ออยากทำนี่ไงยอมจีไก้บ่แตกก็ได้บ่เนี้ยกูว่าซื้อหน่อยคือซื้อหรอกว่ากูคิดคำใส่รับเพราะว่าเป็นกระโวนสองเท้าก็เส็จก่อนลอยนั่นใบยมก็เป็นเหตุเครื่องชิบหายเมื่อชนะยอมก่อเองเมื่อแพ้ยอมเสียใดทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ย่อมชิบหายยังนําลงอีกไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคํา เป็นที่มินประมาณของนักป่าชไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยก็พวกขี้เล็กเขาตงแก้งกันนักปาชเขาประแดงเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าม่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าระา่าฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่า่าน่าาฮ่่าา่า อายุเรประมาณจะเขิคนคนเลีนแต่อาวาัยมุเป็ยนนั่งเลี่ยเนียนเฉลี่ยเรีย น, นเฉลีเเเ่เอามาพอ่พอพกางเกงพื้นเดียวไม่น่าทายอาบนา้ำเดี๋ย ว, วาอาบ น, น้ำเยีขึ้นไปทั้งหลาละแม่วันต่อโพเป็นปีปีเดืนเนอนไปยู่อยหันนไ้กันหลายละ่ะหล้านน้งูกมาเชียงน้งูอยู่น้องู ฆ่าไหนมันยังได้ยอดแนเต้องกูัวสั่งฆ่าไหนมันจะยังได้ยอดแน่เหรอเออเออมึงวามึงได้แหละมึงจะคาขู่ได้ผมจถามขึ้นหน้าท่องแน่นมึงใส่สหน้าช่องให้หลวงมึงขยันดูเดี๋ยวมึ้ทีไรเราจะติดหลานว่อย่างเดีอยวน่เพราะมันยุ่งในเขียดเขียดกวางว่ะมันท่างอลอกเมืองอยู่ี๋ยวชวยหงงามึงเนี่ยง่ายมนงเลยจะติดทหารน เนี่ยท่นมันก็สามชีหลังยังไปใช้บบนี้นแค่ไม่ปลูกประกอบยัเหมืน่บอ่มนเหมือนมันจําม่รู้อเหรเองแต่ว่าเพีววัก็ราะว่าถ้าท่นเนี่ร้านเลยเอ้าคุณจะให้เจ้าคอยจะให้เจ้าเจ้าถือบาตนึงคอยจะให้พันล้านก็คากันเนี่มื่อนี้เมือเือกิดอ๋ นู้่กรรมการเนี่ยเอ้าผู้ปรชคิดัทาตนเขาอี้มาซื้อหรือกันเมียงเอาเมียไปตุบมี่ัวเาผัวไปตุเรานั่นแหละมันชักบ่เ้นั่นแหละนความเสีกดแล้วบดนี้นะมาตองตังนโมดอกนโมแปลว่านอบนอเนยวัดก็ต้องเป็นวัดวัดก็ต้องเป็นวัดอย่าไปจักเป็นสนามเล่ มาผูกเอาเลขก็ไม่ผิดกับมาเคหหัวพระกับเอาขี้มาทาสำนักซึ่งเป็นแนวความคิดที่หยียบย่าทำลายพระพุทธศาสนาดูมินปฏิปทาของสำนักก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นเลยการเอาอบายามุข ค, ครุเ่เท่ามอมเมาในพระพุทธศาสนากับการสร้างมหาเวทีมหานรุก็มีความหมายอันเดียวกันอบายามุขทุก ป, ประเภทกับโลกาเวทนาก็มีความหมายอันเดียวกัน อบายามุทุกประเทศกับมนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติพรหมวิบัตินิพพานวิบัติก็มีความหมายอันเดียวกันส่งเสริมอบายยมุกกับส่งเสริมให้คนปีนเกลียวออกนอกพระพุทธศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันผู้มองไม่เห็นโทษในะอบายยมุกจะเป็นผู้ถึงไตรสนากมแท้ย่อาเปลียนไปไม่ได้ว่าขาวดาวสว่างไม่มีเมฆหมอกแต่มองไม่เห็นดาวจะเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ได้อย่างไรผู้ไม่ถึงไตรสนคมก็อย่างนั้นอนิจจาเ อ, อ๋ย บางท่านอ่านแล้วนึกโกรจงเอาโกรธแบกไปขาให้พระนิพพานในโลกนี้มันเต็มแล้วขายไม่ออกหรอกพระนิพพานดับจากิ่งเหล่านี้ไปแล้วไม่ควรเอามากล่าวตู่เลยหลวงพ่อหลวงตาหรือหลวงปู่ล่าเข้มอประโตกมุ่งดีอย่าได้มีเวรภัยเธอชัดทารรทรงล้ำผ้านำมามากมูลมองรัทาหวยป่วยเวลาทางปู่ ม, มาและปูรับเป็นอัปปมงคล ทังผู้ต้อนรับและผู้มาสู่ผู้ใจสูงแรดูหน้าเบื่อนหน่ายซัดชาถอยหลังแลงแต่ภาษีนากท่านคนไปนนแล้มัดบรรพตษีปูเฉพาวันแเลตำบนน้องสูงจริงพอน้องสูงกล้ามทหารเขียดว่าหันเขียดว่าดาเขียดว่าโกดว่าเบียรเอาโกดสุดท้ายพันยี่ป่านบมนี่มันใช่หรบอออก นั่นผ่าเล่นเล่นเล่นผ้าเลนมัดเ ล, น เ, ล, น, เลนเบืเอ่อเลนโบกเลนเบี้ยเออคันเือแล้วมาเอาออัตมาเนี่ยอาาัะมาจะไปเฮ็ดกงบกูรอสันผ้าจู่นำ้ำาอยากได้บสั่นเียงเอาแจกกันเ้ยเออหนึ่ง น, น, น, น่แจ เอออ๋ออันนี้ละอันว่าบางเร่งนี่อะไรอ่อันใบมันใบย่อยๆจยอะจะไปยัดทุกไปยัดตูดได้หร่ะยอะจะเอาไปยัดตูดได้หระใบย่อยๆ่ะ ปฏิบัติตามขั้มสอนพระพุทธศาสนาแล้วหลุกลานเลยเออคำว่าปฏิบัติคำว่าเวทนับใยจมุกน่ะหัวบกป็นสัมมาทิฏฐิแล้วพ ร, พ, พระพุทธพระพุทธศาสนาบอกว่าอุตธาตาวินเตเตะทนังอุทธาตาวินเตเตะทนั ง, าาวนนงพวกมันย่อมหาทรัพได้ว่าเรีมันเลียนเลือเรียนฝาเรียมันหาทรัพย์ทางภายอื่นหมดอบายจมูกกต่ช่างเสีหายอยู่แล้วเออ ทำมันเนี้ยตามไปพูดโดยสาเหตุรู้จักว่าถึงนี้เป็นเหตุถึงจุกถึงนีเป็นเหตุถึงทุกแล้ทันเนี้ยตามไปพูดโดยักกนรู้จักว่าจุกเป็นผลในเหตุอันนี้จุกเป็เหตุอันนี้นะเหตุมันเป็นปแหงจุกแหงคีพรายอย้มันเป็นเหตุแห้งกระเลิอมันก็เป็นแล้วถ้าปลูกบัอเพชรอยาน it, ี hmm. ้มันหวานเพื่อประคามอยนีมันหวานเนี่ยเขาเลนเล็กจะให้มันกระเลือดโอ้ยมันก็วกีี่นรกเนี่ยสร้างหรอก ค่าขายพระพุทธเจ้าเขาบอกค่าขายเครื่องปะหาญค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นรายเรื่องสัตว์เป็นตัวฆ่าเพเป็นอาหารค่าขายน้ามาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ให้ประกอบพระพุทธเจ้าบอกนักขายเครื่องบินขายเครื่องรบล่าขายฟันกันเอ่เขาซื้อมาแล้วเขามาค้ายจะคล้องเอแล้วับ บาปว่มี่บุญว่ไมี่รักสูสวาาปว่ามีบุญว่มี่คุณพ่อคุณแม่ว่ามี่นะัพูดถือคุณพ่อคุณแม่ว่มี่พูดถือว่มีบาปไม่บุญไปได้หรับเพราะปัญหารอไม่ไผใดหนึ่งไผสอไผสามไผเออห้องดูอ๋อน้าเมาส์ขี่ไปได้ปเมาส์ขี่ยักษ์บอณแมาสขี่ถือบ่ามีบาปไม่บุญไปได้ปะหรอ ตัวของแม่เก่งแล้วมดทุนสู่แม่นหว่ามมีทุ่นสู่นั่นมูอตัวเรียนเขาเลขอะเรียนเลขเขาได้รู้ว่าจะบมันตายเพราะมีนั่นที่กระไฟพระองจักบอกนี่มันพระมาบอมมีกระไฟเพื่อนนั่นนั่นว่ารว่าร้อนๆไม่ใ่หรอว่าแบบลูกๆร้านหลานนึกจักเข้าใจง่าย ถามเนี่ยมันสูงขน่ดมันจ้างพ่อใจตอบแต่มาถามเรื่อถามผาโอ้ยมันก็เปตะอุกตับเตาไฟไม่รอดมันละมัดเอาหลอดฐานะของหลวงปู่เป็นคนหา ก, กินยังไงบ่ฐานะของหลวงปู่เนี่ย บ, นะงงบวชมาพ้อเลี้ยงที่นีกันบ่แต่ถมาถามผ่าเลมันก็แม่้ บวแฝลแหลมือแ้วเว้นไปเบอกหลงวงปู่บวชเสวขนทูนาวาตาทรงสามให้ว่าจะบวชอยากที่เะเจริหลวงปู่ัุบันไดดวัตถุบั น, นท่ำอัดที่ผูกขาพ่นูตามจริงเพจะวัดตามเป็นจริงพี่ันหน้าตามปจริงรถพ่นตามเปจริงจ้องให้รูตามมจิงยุตาาิลงนนมาวันนี้ผมมาถึงหลวงปู่เนดี๋ยวเมื่อวามักผนิพานในนาคตการนั้นเกิดบด้วารท่นี้ปัจุบันไดดวัุบันไดท่ำอัหลวงปู่หง มู้ตัวที่มาถามเรียกมันจะเฉ่งใกเว้นอะไรเอี่ยเว้นอะารเนยมักันเนี่เดินออกเนี่ยฟ้องยาวบนหรือมาๆกเที่ยวไปเท่ยเด็กสาวต่พุ่ง้ามาหกเป๋าบัมันก็คนเดินเอา ผัวกบวับเมียพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องกั้งยังรับเธอเป็นภรรยาสองไม่เดือยเงินสามให้กระพื่อม ร, ร่วงใจสี่ได้มาความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เคลื่อนแต่งตัวสำหรับผัวเนี่ยสหรับเนียหนึ่งจักการงานดีสองสองครับคนข้างเสียงของผัว ด, ดีสามให้กระพื่อ ร, ร่วงใจผัวสี่รักษาทรับยืสีผัวหามาในวายห้าสยันในเกียรข้าในกิจการใัวรวยกับว่ารักพรเขาเขาป่เทศเขาตัวเดาเลย เรื่องมีตอบพื้นๆด้วยเรื่องมีแดงเออข้อเสนาเาการขอเมตพระพุทธเจ่าก็บอกเมตแท้สี่จัมพุ่งมีอาประการะเมตลงสุขลมทุกเมตแมงประโยชน์เมตในควารักไร้เมตสี่จัพวกงนี่เป็นมตแค่ควรคบมีเปกนอภคาระมีรักษณะอาศัป้องกันเพื่อนพุทมารแล้วป้องกันชับสมบัติของเพื่อนพุทธมาแล้ว เมื่อมีไพรเอาเป็นไปุ่งความรักได้เมื่อมีสุร่ช่วยออกทัาใมาเกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมจุกร่วมทุกเมรักษณะศี่ษย้ายความรักแก่เพื่อนติดความรักของเพื่อนในแครงพายไม่ละทิ้งในยามไม่บัติแม้ทีวิตก็อาจจะเคลื่นได้มิตรแม่ประโยชน์เมรักษณะสี่ถ้าไม่ไะทำความชั่วใหตั้งอย่งลคนดีอนุเคราะห์ด้านารอ ง, งามบอกทางของันให้ มิตรมีความรักให้มีรักใช่ไหมสี่ทุ ก, ก็ทุกด้วยยุบ ก, ก็ทุกด้วยต่อเสียงคนจะพูดสี่เพื่อนเพื่อนรับรองคนพูดจะให้เสีนเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตแค่คนคบมิตรกับเจ้าลูกคือคนจำมิตรนี่ยคนคบจะไปคบหนึ่งคนต่อร อ, อบสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักัวในทางเสี่หไหลคนต่อรอกมีรักใช่ไหสีส่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยพอคิดเอาของเพื่อนมากสามว่ามี้ไทก็จึง รับทำจิตเท่าช่วเชื่อนเพื่ออยากขอจะตั้งดี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวสองคนดีแต่พูดไม่รักษณะสี่เก็บเอาของตรงน้ามาใสา่เอาของที่ยังมามาใสา่ต้องเ้าะสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ออกปากพ่งไม่ได้คนหัวประจบมี้รักสนะสี่จะทํำดีเขค่อยตามจะทําชัว่วขาค่อยตามต่อห น, น้าว่าสารเสรื่อรับหลังตัางนินทา ค, คนคนคบ นี่ชักชวนในทางคิดผ้ายมีลักษณะสี่หนึ่งชักชวนเดือดหน้าเมาชักชวนเที่ยวกลางคือชักชวนให้มอมมอในคารเล่นชักชวนเล่นกันเท่านั้นนิดทีนีพวกไม่ใช่นิดเป็นตะกอนจะม่อยาบไปครบเนอขอบเขตเจ้าหนักนักนักสอการบ้านการเมืองหาม่ไหวพระถึการบ้านการเมืองหาไมอให้พระสอนบ้านสอนเมืองแต่สอนผีตัวไร่สันนือน้นเน้นเน้นเนนเ่ามั่ัน เว้ยว่าจะเอาไปปัจจิบัน ต, ตามคำนองข้องข้ามข อ, อ, องพระองค์เจ้าให้น้ำทุกีปรมังฉนังความสันโดดเป็นทรัพยอย่างยิ่งเงินเดือนเท่าน้อยักว่าใส่น้อยดิเออหูจักกะราเทศาจากของลอ้วบ่เงินเดือนหลายแต่จะไปใส่หลายแบ่งออกล้วบ่หาได้หาไปใส่ทิพย์หรือ่ยไปกี่คอยอยายตั้งปีนเนี่ยพ่อแล้วน้ำทุกีปรมันฉนังความสันโดดตามไม่ตา ม, ม, รรมได้เปนรัพอย่างยิ่งเงินน ม่อันพ่อมันเสียพ่อจะไหนมันพ่อว่าเปลี่ยนไหน้อยกับพ่อร้ายกับพ่อขังจริงจริบอกว่าใใชเปลยนไช่ว่าเป็ี่นเ่อนพ่อเลยะเหมือวันพ่อาเสีเท้าเ่อว่ออะจิ้นไฟเซจินพื้นเช่าไฟม่ันพ่ออะเรียนอไรนี่จินแรกเอาจิ้พื้นเช้าไฟรีกเอาดวงก้อนพื้นมามันจะมียกเสิเท้าวะนแล้ว ือ่องห้าวนาวมหาสมุทรทะเลล่งทีลแอกเพื่อนข้งแคงลงไปลงไปกับเพียงหัวใจเพียยงข้อจิ้มเหื้อจิ้มแพร่ละฮะแพ้่ซัดจินนหนามขื้นมากตีข้อมากเข่าดังตายด้วยหนามเลยล่ะแพร่ที่นั่งคำสอนพระเจ้าแกน้อยอย่างนั้นไ่ได้แก้หาย แกะาบยมุกนี่เราก็จะเล่นท่นเลยมันสิยญานี่เองมุกแกอาบยมุกจะแกะมัดเอื่นผนมัดขั้นว่าเก่าไปเก่ากันน่องมากผนแกะาบยมุกท่านเลยอะไหนทั้งพระพุทธธรรมประสง์เป็นที่เพิ่งเฉพระพุทธารรมปสงค์เป็นที่เพิงคือแกะใบยมุกรอองเยมุกขามุกขาไปแล้วชิ้หายชึ้นนาช้นปาเนี่หญิงนางพม่าหอดมุส่า้างที่เดินยกกลมจน เปล่ยนห้องถ่วหัวนี่ก็ตามจีดอาหารร่อยปีพัตปีกระตามจิตภาวนาบินฮอตสักฝ้าก็ตามคำว่าเศ้าอบายยมุกไปตลอดที่ก่อนเราเมืองหลับอย่างอุทัยพ่อแม่ปันให้ปันหน้าให้คำว่าปันให้คำว่าทยปันหน้าก็ว่หน้าไข่ใหม่นั่นไม่ทราบนั่นพี่เด็กมันย่างไข่ใหม่อบายยมุกมันย่างไม่แค่กอะเก่งก็าไข่ฝ่า เั่นองล่ะก็ดสงครามะอืขันที่ยี่น่ะขันที่สมแล้วไปทางนี้เนาะคืนไปทางแต่ว่าจบก็เขาอะไรลานก่อนเนาะต่วาเนาะข้างแต่ว่าจบข้างนั้นที่ตะว่าจบข้างีเขา้านก่อนเนาขึ้นไปทางไหนเนาะไ้นก็เสตตีนี่ดีห่อแล้วไปใช้รถเ้าึ้นไปน้ำ เราไม่ดีคนเฮ้ยที่คนเงียบขึ้นเลยมันเนาะที่คนเงียบขึ้นเลยมันเนาะ คือคว่นควุนเงินกันเปล่าเลยสน น, น, น, น, นน้อง่นก็ปดีเนาะขี้คนเหนียวเปล่าเลยสนน้องขวุ่นไต๋วะแม่เนี่ยเขาเขาขายในแฟร์มันเท่าไหร่ปีกว่าะผมจะขายอยู่ปะทีวะ เขาวาดที่เสียกนะยุทิศใครยังไม่เจอเขาขายหน้าเป็นแรงเสียกบวดกับบวดขันบวดได้เป็นคู่รงเรีย้ยงสอนยังหน่อยพอาะปานเสียกหน่อยโผล่แข้งโผล่ขาเมันกังยากเอาสาในโลกอันนี้นะเป็นสมียในหนาง ถ้าไปทํางนันเดี๋เสียในหางพราะป่าท่าทแล้งคนแล้งงอออกจากก่อนแล้วเกิดในสุกในโลกนี้ในผสมสมเรอก็มีในสมผสงในโลกนันเด็๋ยว้่นสั่งพระพุทธเจ้ายิงสอนให้แห้งในท่าเบื่อในเข้าแห้งไนท่าเบื่อในเลยท่าเบื่อเพื่อนในโลกเขาแห้งเพแห้งเขาบม่แห้งเดี๋ยนี้เขาแห้งใท่าเบื่อในโลกแบบเขาคดว่าแหนงเพราแห้งวิอท่าแรงในโลกจุดก็เป็ีนเขาแห้งในท่าเบื่อในเบื่อในจากของมันเบื่อในโลก เมื่อนายจะคล้องแต่ลงหลกหรือ เ, เมื่อนายหลกเช็ดยังไงจะไปเช็ดยังไงมันต้องสก็บไปปวดเหยจะไปเก็บควอนปีเลยหมเมื่อนายจะคลองจะไปลงหลกนี่งเอาผัวควันฟินเก็บกินกอดยาเอาผัวกันซาผึ่งขั้นเงื้ยนขีเท่าเอาผัวสี่เหล่าผันเช็บน้ำลายสั่นมุกทูจะไปเอาผัวขี่เหล่าเนอ หัวคนฟินเจ็บกินกองอยาหัวขันซาหรือที่ขันเมียนที่เท้าหัวที่เราประเทศทำไร น, นั่งนึงเนี่ยนั่นสลาดเนี่ยหัวไป ร, รอคนมาบ้านนั่นมัดก่อนหลอดมันเฮ็ดหนาเยิ้ ม, ย ม, ยมแยมแยมไซดเลยนั่นบัดาเขาตรงนี้นนบันหลับมาจัดดังว่า พี่ผมก็มพี่ลูกชิ้นพอใ่กุ้ก้มทุเจ้าจะจมก็อจะซ้เนื้อแหละไม่กะซิ้มแค่นื้อเนั่นแหละพอเจ้าใหจะอ้วนมากนีมัได้บายัง่าง็จะเขาไปหอดที่ไหนเราอ่ะนี่มันว่าเนีอ้วนตัวมาไปอ้วนมูมานอ้วนมูมานั่นไอ้นั่นนี่อ้นันะเห็นได้สภาพนี้แล้วสภาพแคเจอานี้แล้วซึ้นแค่หูวแ่หัวจริงนั่นหละพอเจ้าอ้เจ้าอ้วนมากิเรา มัดเดี่ยวเงินมงไม่านกตัางาินเสรถเศลัง้าซ่วล่ะเขาเข้าออกเขาเข้าออกคอยๆอได้เข า, เาเ ว, าา ว, าาวาอายิมเขาออายิ ม, มบ้งางแล้วเขาออกนานานาเคง่งมันที่หลังมาน เ, เคลียดตายบ่กินแล้วหอดเหล่ามีอยู่ในข้างเมืองอรรรื่อฟังเหรอชือฟังเหรอ เรากินเหล่าเม่าเลยนะกินเหล่าเมาอันนั้นก็เฮ็ดบดแบบเลี้ยีตาเนี่ยเห็ดบดฝรั่อ่อนออบานบานให้แก้พ้าออนบานบานเนี่ ย, นยนนนนเนี่ยแสด่ค้านึ่น้ำแล้วบานเนี่ยก็จะงหวะว่ารั์ผ่ามยอดไม้พ่อกางเกล็อันนั้นคอยเนี่อยจับกระสือแล้วคอยเขาบอคัดของเจ้าสามารถคือต้องใช้ใช้หน้าใช้ตาคอยแทะว่าสั่งไหนข้านมันก็ล้ำออก มันทำเอาเลียมน่อยหรอเอาเลียมยังไเป๊ะอย่างเงีแ้แห้งๆหมดขาลงมาลงไ่อยเส้นหันมาแคาบๆโอ้ยเขาออกแง่ น, นมันนำไปดึงหัวลกตาลูกลาของเ้ า, เ น, า, า เ, เนี่ยเนี่ยเออแกงรึเปล่าห้านี่หัวหัวคู่ห้านี่หัวคู่หัวคู่กับคู่ยังไงเขา ไปนั่งเล่นบเขายงเง้มันเขาไปมันก็หิวหแล้วบาเองหิ้วหอย่างเงนมัน็กตมันเตมันมันก็หมอบลงเตมันมันก็หมอบลงวัถืมั่นนะวัดารเตให้อแล้วก็เตให้ลก็นั่นว่าก็เรนจะเทียวอะนจะไปจะไปจะไปช่วนั้นมันเียงเหนื่อยกันเนียมันแก้งอะกนี่หูออกข้าวบงโบกเสนะเออุกสุกอยุวันโนะซุกคำพลัง อยู่วโน่ทกครั้งพลังอยู่วโนสทกครั้งพลงเป็นจุกเร็จุกอยู่ทุกเมื่อไปเจะิบ้นกลับไปอยู่ซาตาไปอยู่ซาตาไปเจริเบ้นกลบไปูมนุษย์ยังถูกคนไม่อยากเกิดอยากตายล่ะบุ ทำมนไปเึ็น <starters> ด <aría> ้สวัรยังกระโดดตูยังเอามาทำอะไรกนถึงกันไปไปดังนั้นเมื่อตั้งใจจะตามประการทบกข์ไปบาะไปเอาบุญยังต้ักน้ำเงินบุญแล้วบุญทั้งหลายเอ๋ถึงแล้วบริสุที่มันนุ่งเราพ่เราจากไล้วเส้นนี้อีกตัวทั้งหมดกวนทุกข์ก็ทุกข์ก็อีกตัวทั้งหมดกวนทุกข์ก็เหาะโยนทั้งหลายรับผาน นี่แหละพระองค์กระหัเกิดขึ้นเห็นก็เป็นเไม่ใช่หรอกใช่ใ ช, ใช่ลูกรับเองบาป ท, ทั้งหลายมหาวิเีตรกรับแต่พาะไม่เป็นพระหันแล้วไ ม, ไม่ลูกรับเองทั้งหมด <c oughs> วันนี้ศรีวลีต่อมาโรดเปิดงดนศรีวลีคงแท้ต้องการที่สามธรรมะ ก, ก็ไหนได้ทน่นไม่ทางวัดหรอกท่านติดตาดูที่มีญาติเปิดไม่ใช่หรอก เราภาษากระดาบบอกว่ามีผู้มาให้เธอเป็นพระหันเธอยินดีไหมเมื่อเธอไม่ยินดีก็นั่นแหละเธอนาบัเป็นพระหันเมื่อเธอไม่ยินดีเธอก็ไม่เป็นอาบัตไม่ใช่เป็นเบีขาเป็นเบี้ขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สลังเบี้ขาไม่ใช่สลังเบีกขาสลังเบีกขาเป็นของของพหันจะหาพระหันในตัวไหมไม่ไม่มี ไม่ไม่าเนังรไม่แก่เนาเะ็ต้องเป็นแก่สักวารูเป็นสักว่าเห็นคือศีลคือสมาธิคือปัญญาถ้าไม่ยึดถือในผู้รู้ไม่ยึดถือในผู้เห็นผู้รู้ก็ดีผู้เห็นก็ดีเกิดขึ้กแปวนแแสกสลายไปด้ว่ยกันเป็นอเิจการะเอียดเป็นทุกขะอนละเอียดเป็นอนัตตาอนละเอียดเหมือนกันเกิดขึ้นจกกาแฟป้วนและแสกสลาย คำพูดแต่ละวัฏบาดรก็งันกันเกิดเครื่องได้กแปลปวนได้แต่สลายไปเป็นธรรมดาของวจีสังขารของกิจตาสังขารเราก็ต้องรู้การทำจริงก็คือเสียงก็คือสมาธิก็คือปัญญานี่เองเสียงก็รู้การทำจริงของเสียงสมาธิก็รู้การทำจริงของสมาธิปัญญาก็รู้การทำจริงของปัญญาไม่สําคัญตัวเป็นเสียงไม่สําคัญตัวเป็นสมาธิไม่สําคัญตัวเป็นปัญญาไม่สําคัญตัวเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใดทั้งสิ้ ธรรมะขั้นสูงพระพุทธศาสนาอดีตตัามไปเป็นตามอาดีตล่วงไปแล้วอ น, นาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันนันทโยธรรมะผู้ดได้เห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม้หันเงี้ยงคอนเทนต์ทางพุทธศาสนาเลยผู้นั้นจะไม่กล่าวตูตนด้วยผู้นั้นจะไม่สงสัยพระพุทธศาสนาด้วยผู้นั้นจะเข้าใจว่าเห็นอยู่ในที่แห่งเดียว สมาธิปัญญาศีนโลกียาศีนโลกุตระศีนมหาศีนคือศีนผลานมหาสมาธิคือสมาธิพระผลานมหาปัญญาคือปัญญาของพรลานสิ่งล้วนต้นสมาธิล้วนต้นปัญญาล้วนต้นของพระสุวรรณต่อมาก็เป็นของพระรัชกาลขามีต่อมาก็เป็นอาณาคันต่อมาก็เป็นศีนสมาธิปัญญาของผลานเรเป็นลำดับขึ้นไปเรียกว่าโลกุตระตางเราคุยกับผู้ฝึกสนา ไม่หวังเพื่อราบยศชนะเสด็จสิ่งใดๆปัญหาก็มีน้อยมากโลหิตจะละหานก็หานลงในหนึ่งจะพูดออกไปตั้งหมื่นตั้งล้านก็ตามก็ออกไปจากหนึ่งออกไปจากมนโนทุฟังนงี้เดแล้วย่นลงมากระยนมาหามนโนทุฟังเป็นเอกนิบาตถ้าหูวัชณนะเขาจะลงมาหาเอกวัชณนะย่นลงมาในปัจจุบันเลย ชาตพทุกย่นลงมาให้เอกภพชาติภพอนิจจังย่นลงมาให้เอกอนิจจังชาพิภพอนัตตาย่นลงมาให้เอกอนัตตาในปัจจุบันเมื่อเราไม่มีของเราไม่มีเมื่อผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีปัญหากวมดไดมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมธรรมธาตุนานาธาตุญาณธาตุต่างๆธาตุแบ่งออกเป็นสี่สวยดาวันธาตุสกทาธาตุอนาคาตุอนัตตาธาตุ ทำก็เหมือนกันขอราบันธรมสัคขาธรมอนาคขาธรรมอนัชตาธรรมศี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันสัญญาก็มเหมือนกันอยู่ที่ตัวเดียวกันไม่อยู่ในคนละมุมโลกเราเพื่อพระพุทธมจเพื่อทำลายความหลงของตนชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนปัญหาความนีมากถ้าประพื่อพระมุันร เพื่อลาบยศสังเสริญอะไรต่ออะไรมันก็จีปาสารพัดมีอยู่ในวัดในวามีผู้เอามาให้ตั้งล้านตั้งโกดก็ต่างก็ถือว่าเป็นขีดเทอของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นน้าลายน้ำมูกของพระพุทธธรรมประสงค์นัดลาศาสนาจะงามก็งานจะเพียงไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นน้าลายของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นในใจรกทาติ จะมีมากมืน้อยสักเพียงไหนก็ตามก็เป็นเมืองครึ่งของพระเนานทางนั้นังขารทั้งหลายจะมีมากน้อยก็เป็นเมืองครึ่งของพระเนานทางนั้นทั้งปูนยางพิษังขานอปูญยางิังขานอเนิชาพิสั้งขานทั้งขานที่มีใจครองและมีใจกองทั้งไตโลกธาตุเป็นเมืองครึ่งของพุทธเป็นเมืองครึ่งของพระเนปานหมดพระธรรมมีอยู่แล้วใครจะรู้แล้วไม่รู้พระธรรมก็มีอยู่ ทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกางวันเกิดทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็เกิดไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกางวันเกิดไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นเป็นจริงอยู่ทรงอยู่มีอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพอะป็นโลมิสักเวาผู้ไม่เห็นธรรมจะมาจับชายเกวันเราอยู่ก็ไม่เห็นผู้เห็นธรรมจะไปอยู่ฟ้าฝ้าด้านในก็เรียกว่าอยู่ใกล้เรา พุทธศาสนาธรรมศาสตร์ศาสนาก็อยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแต่ผู้ไม่ทำเกเรตไม่มีแต่ผู้พ้นไปแล้ววิมยามไม่มีแก่แต่ผู้ยอมเป็นโสดบาปไม่มีแต่ผู้ไม่ทําผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือ เลสมันีแกผู้คนพอแล้วได้ในรลกล้วนอนิจจังได้ๆๆโลกล้วนทุกรังได้ในโลกล้วนอนตาไม่ต้อง ส, สงสัยใดนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อโลกยัดเยียดเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วการพิจารณาโลกแค่ดเดียวก็รู้แล้ว นัก่าลาปรามาทุกขาสงคามเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้ังมันทุกอย่างยิ่งทุกขั้งมันทุกอย่างยิ่งอนชาติเป็นทุกอย่างยิ่งของในความหมายเดีวกันมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะใส่ชื่อเรือนามหรือไม่ใส่ชื่อเรือนามมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นจะรู้ตามเป็นจริงแล้วไม่จาเป็นจริงก็ตามเป็นจริงอย่างนั้นพระเรามศาสตามารู้ตามเป็นจริงไม่ใช่พระบรมศาสตามาแต่งทำมาเห็นทำทำมีอยู่ก่อนพระบรมศาสตรจึงู้ถ้าทำมันมีอยู่ก่อนพระบรมศาสตร์ก็มีประตูจะรู้นั่นไม่ใใช่่เเเเเพพรรราาาาาาุทบมมมศสนแตงงงป็ียยยํห้ัก ทำที่เป็นโรคีทําที่โจ็นโรครุนแรงอันันอันนั้นอันาอย่างนั้นอาจจแค่ทำนี่อยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาเทศอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างพรบรกันผู้ที่ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าก็แปลว่าศีลห้ารักษาผู้นั้นผู้ไม่เสียดายอะไรในวัฏสงสารอยากมาเกิดแก่เก็บตายอีกก็คือพระนิพพานรักษาผู้นั้น ทำไมถึงไม่ใชียดายลวงละเมิดก็เพราะเห็นว่ามันไม่ไปไม่มีประโยชน์ยังไม่ใชียดายลวงละเมิดเห็นแ่ละมันเป็นยาพิษตโตโตไม่ใช่ยาพิีเครื่อนกำลังการและใบนี้มุกกมกันแค่นั้นเป็นยาพิษโตโตไม่ใช่ยาพิษเครื่ อ, น, อกกน ก, นนนกอนำลัาลก็ไม่ใช่ยดายอย่างลวงละเมิดเมื่อไม่ใช่ยดายอย่างลวงละเมิดการปฏิบัติมันก็ไม่ลำ บ, บาก น้ำน้ำลายที่เราบวนทิ้งอ่ะไม่เสียดายอยากเอาคืนมากินอีกมันก็ไม่ลำบากไม่ได้นัดท่านผู้ใดไว้สูสูไม่ระวังค่าเด้อค่าจะเอาน้าลายคืนมาอีกผมมันก็เนี่ยว่าเ <c oughs> มื่อตัม า, ม, ตมาลากษัยเมื่อตมาอะเอเ็ดเนาะถามออือืม <c oughs> ก็โทรมโยทุ่งโพเป็นจุกเป็จุกให้พ้นทุกข์นะวัาฏะสงสารอย่ามาเกิดแก่เก็บตาอีกเลยพวกอณาโคตรการนั่นเถิดแปลว่าบารมียังไม่แก่าก้านะหลวงพ่นทุกข์นะปัจจุบันอาชาติพวกนั้นบารมีแก่าก้ามาแล้วหมู่ตัวพ่อพ่นเมื่อไสพ่อพ่นเมื่อไส